ั า, ามกนเราปฏิบัติธรรมเราความจริงมาศึกษามาพิสูจน์มีสติไปในกายกายก็มีจริงสติก็มีจริง สิงที่เกิดขึ้นกับกายนับตั้งแต่เวทนาไปกายนี่มันเป็นรูปส่วนเวทนาเป็นนามมันมีอยู่ที่กายนี่มันจึงมีสุขมีทุกข์เพราะมันมีนามเป็นสุขเป็นทุกข์มากมายทั้งหลายเรียกว่าเวทนาทั้งหลายเืิอเจอในรูป เราไถ้วนเวทนานะสับเปลี่ยนกันปนเปรกันไปมากว่าบางทีสิ่งที่เป็นสุขเคยเป็นสุขบางทีสิ่งที่เคยเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีในเวทนานะั้นเห็นนับตั้งแต่นี้ไปเป็นนามคิดในจิต อยู่เป็นประจำจิตไม่ทั้งหลายเป็นที่ตั้งของกุศลอกอุศลหรือว่าเป็นที่ตั้งของธรรมมันเป็นนามมันรู้เราได้ <c oughs> นั่นเป็นวิญญาณมันเป็นาธาตุกู้หือจิตหรือ น, นามธรรมธรรมทั้งหลายแบบนะี้ จิตไม่ทั้งหลายลายก็ไม่ทั้งหลายเป็นอันเดียวจิตเป็นอันเดียวแต่เป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าธรรมธรรมนี่เป็นกลางๆถ้าเป็นกุศลก็เป็นความดีก็เรียกว่าธรรม ไม่เปลี่ยนตัวนเองไม่เปลี่ยนคนอื่นชิงวัตถุอื่นไม่ทําให้ถึงเป็นทุกข์ชิงอื่นเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษเรียกว่าธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลเรียกว่าอธรรมไม่ใช่ธรรมมันก็มีคู่กันกับธรรมมีผิดก็มีถูกมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์มีหลงก็มีไม่หลงมันเป็นคู่กัน ที่ว่าทำทั้งหลายมีสติเห็นสติเป็นตัวที่เห็นเป็นสภาวะที่รู้ที่เห็นในในกองนี่น่าจะพูดกันเียว่ากองรูปกองนามมีให้ดูมากานายรูปนี่เฉพาะรูป มันก็มีการเสดงเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมันมีนามเป็นที่ตั้งนันเป็นมหาภูตรแต่ลูกเป็นลูกที่ให้สิ่งอื่นมาอาศัยนล่นมันก็มีบิญญาณธาตุคือฝาว่าที่ลูกุยงกัดก็ลูก อะไรก็ลูกมองลูกศึกที่มันเป็นเวทธนาทั้งหลายมีประโยชน์มีประโยชน์ะชนจะได้ศึกษาจะได้แก่ไขเปลี่ยนแปลงได้ในในเวญธนาทั้งหลายที่เป็นที่มันเกิดขึ้นกับลูก เรยจึงมีการศึกษาได้ประโยชน์ได้เห็นได้พบได้เห็นรูปนี้มันเป็นทุกข์มันมีธรรมมันเป็นรูปธรรมมันทําดีมันทําชั่วเพราะมันมีรูปมีนามเช่นมือห้านิ้วบางทีมันทําดี มืห้านิ้วสิบนิ้วบางทีมันทำชั่วมีลูกไปทำชั่วได้สาเร็จมีลูกว่าไปทำดีได้สาเร็จจนลูกทำลูกทำอันหนึ่งมาเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นธรรมชาติ เสกสงแสงแดดก็ล้อนละองฝนก็หนาวนั่งงานก็ทุกดนเดินนั่งนอนเป็นอีบอดของลูกที่ใช่กินขับถ่ายตู้เยียกเคลื่อนไหวหายใจพิบตาเื็นน้ำลายเป็นสภาวะธรรมชาติของลูกไม่ต้องไปศึกษามันรูจ้จบก ให้สัญญาบอกตัวมันเองจรงใดเป็นทุกเป็นโทษนั่นบอกลูกธรรมชาติมันดูจากช่วยตัวมันเอาตัวรอดได้ถ้าหนาวก็ห่มผ้าเปลี่ยไปจนขนาดไหนก็ต้องหาที่อาศัย เราองก็รู้จักเท่า ล, ล้มขนาดจนขนาดไหนก็รู้จักที่อาศัยที่ไหนที่หนึ่งนี่คือลูกเป็นธรรมชาติมันมีการเกิดแส่เจ็บตายรูกนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนของมัน จวนนามนั้นเป็นหลายอย่างเป็นสังขารสังขานี่เกิดจากนามตัวนามเป็นตัวสังขารปูงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจอะไรเช่นมาเกิดขึ้นมาสมมุติมันหยัดซับซ้อนเข้าไป อุปทานยึดมั่นเข้าไปทิธีิมานะเกิดขึ้นไปการสัมผัสที่มันเกิดจากลูปเอามาเป็นสมมุติเอามาเป็นบัญญัติเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ในสุขในทุกข์ที่เป็นตัวสังขารมันไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวตนจิง่งใดเป็นผิดผลของสังขารสิ่งนั่นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นผิดผลของสังขารจิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นผิดผลของสังขารสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเราก็เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจความไม่พอใจอยู่ผู้ที่มีจติเห็นอาจจะเป็นข้างหนึ่งสองข้าง ก็ไม่เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนนี้ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารคือสังขารทั้งหลายปุงแต่งก็ามาเห็นมันมีสติมันก็เปลี่ยนสังขารที่มันเล่นไปหยุดได้เป็นวิสังขารส่วนความสุขเป็นสังขารปุญญาพิสังขาร ความทุกเป็นสังขารปุญญาพิสังขารยังไม่เป็นสุขยังไม่เป็นทุกข์เป็นอเนญชาพิสังขารแต่มันพร้อมที่จะเป็นสุขเป็นพร้อมที่จะเป็นทุกข์เห็นมันทั้งสามลักษณะลู่ลู้รอบรอบอยู่เรียกว่าสติมันได้บทเรียนจากกองลูกกองนามนี ได้ไปการศึกษาได้ทะลุทะลวงได้ข้ามลวกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปกกำนามถ้าเรามาศึกษามาไม่จบไม่สิ้นความหลงก็หลงอยู่เรื่อยๆเป็นจีอสสงขัยความโกรธความทุกข์อะไรต่างๆเ ป, เ, าเป็นทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนา ถ้าเรามาศึกษาพระจุกเห็นไม่เป็นสติมักจะเป็นอย่างนี้เป็นตัวเฉลยตัวทะลุทัวห ล, ว, ลวงท่ามร่วงมเเเีเห็นเห็นเห็นสุขเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุขเรียกว่าทําให้ไม่มีทําให้ไม่เป็นเรียกว่าวิสังขาร แล้วก็มีหลักอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติเราศึกษามีสูตรมีตำราอะไรก็ตามมีสูตรทั้งหมดคีวิตของการศึกษาชีวิตของเรานี่นี่เป็นสูตรใหญ่แปดหมื่นสีพันเรื่องอยู่ในรูปในนามนี่เป็นบาปเป็นบุญ เป็นเปรตเป็นสนนโลกเป็นเนริชานอสุรกาเป็นอินเป็นพรมเป็นเทวดาเป็นมักเป็นผลเป็นพระอยู่ในรูปในนามนี่ได้ประโยชน์ถ้าเราไม่เจือเสือมีแต่มีทุกข์มีทุกมันเป็นหลักอยูแล้วมันมีการเกิดแก่เจ็บตายในรูปนี่ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปอันนั้น พัฒนาได้แต่ลูกพัฒนาไม่ขึ้นนั้นไปของมันเองไม่มีเคยเป็นใหญ่บันได้แต่ใช่ให้ใหสําเร็จประโยชน์เหมือนเหมือนพ่วงแพ่ขี่ข้ามภากพ่วงแพร่ก็มีโอกาสผูกพังแต่เราใช่ไปแล้วถ้าไม่มีพ่วงแพร่ให้เบี่ยวขาสข้ามฟาก ไม่มีลูกก็ทําดีไม่ได้รักความชั่วไม่ได้ความชั่วความดีเกิดขึ้นในลูกมีให้เราศึกษาขอบคุณความโกรธขอบคุณความหลงขอบคุณความทุกข์ที่มีสติเข้าไปเห็นได้ผลเรียนจากสิเหล่านี้เห็นทุกข์มันจะพ้นจากทุกขเห็นความโกรธจึงพ้นจากความโกรธเห็นความหลงถึงพ้นจากความหลง เห็นอะไรที่มันเป็นทั้งหลายทั้งหลายที่มันเกิดอยู่ในนามไมา่รมไม่มีต ร, ตรงไหนปิดบางอาภามีสติเข้าไปเฉลยได้ทั้งหมดจึงเป็นความสะดวกเป็นการสะดวกเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่สะดวกมากๆไม่ชั่ยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมามาได้เลยเราจะ เห็นเราจะดูอยู่นี่เหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกโอดเราจะดูแลอยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาที่เป็นพิษเป็นแพยต่อลูกน้อยของเราเราจะป้องกันรักษาไม่สละสิทธิ์ไม่โทษที่ยังไม่ให้ตไตเลยไม่ให้ตอมมีผู้รักษา ยิ่งเหมือนกับสติเหมือนยิ่งกว่าพิดามาดาพ่อแม่เลี้ยงลูกก่อนดูแลเอาใจใส่ในกองลูกกองนาำอยางดีใช้สำเร็จประโยชน์มีหลงเมื่อก็มีลูก ป, ปลอดภัยถ้ามีหลงไม่มีลูกไม่ปลอดภัย มีครื่องโกดไม่จาไม่เครืมโกดหมดไปหรือว่าไม่ปลอดภัยได้ช่วยตรงนี้มีฝีมือช่วยลูกช่วยนามตรงนี้ช่วยทั้งลูกช่วยทั้งนามสติเนี่ยจนไม่มีภัยเกิดขึ้นอาศัยลูกอาศัยนาม ทำ ค, ความดีแล้วความชั่วถ้าไม่มีสติลูกดามก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นความชั่วเป็นทุกข์เป็นโทษเกิดเจอบปวดเป็นทุกข์มีคนเป็นความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วจ่องเสียงไม่กระด่างขึ้นในเครื่องเื่อฝฟังเปียนไปในสนุก ความเสียงมาได้รู้เรื่องไหมเนี่ยตัวเองก็จะเสียงเตืเองไปเลยนั่นตัดหน้าตัดหลังหลายอย่างลืดนี่รูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาไม่นาช้าไม่ค่อยสะดวก เขาจะใช่สเลประโยชน์มันขว่าเสียงก็จะไม่ค่อยดีหูก็จะไม่ค่อยดีมีหูแต่เสียงเพื่อใชให้เป็นเสียงเสียงก็ใช่ไม่ได้เพื่นผู้อยู่นี่เป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ ไม่สนุกไม่ชวนให้พูดต่อไปตาอาจจะใช่มาดาร่างกายอาจจะใช่มาดาแต่ก็ใช่สำเร็จประโยชน์แต่ใช่ให้เป็นงานเป็นการในการนี้อาจจะไม่สะดวก แต่เป็นส่วนตัวสะดวกทุกกรณีโดยที่อะไรที่มันเกิดขึ้นจากการจากใจที่ให้เป็นสิ่งภายนอกไม่ค่อยสำเร็จเช่นการบอกทำชานสอนทำไม่สมมูรณแบบบางจาก็ สิ่งที่เคยทำก็ทำไม่ก็ทำามาตาแล้วปีก่อนๆปฏิบัติเข้มเคยเดินลอกมัดลอกว่าไปตา้แต่ปีนี้ไปไม่ก็ไดตายเยี่ยมถึงทุกขึ้นที่เดินผ่านไปทุกพื้นที่เดีย๋ยนี่ก็ ไปไม่ถึงไหนเฮ้ยสอบถามผู้ปฏิบัติก็สะดวกทั้งผู้ถามทั้งผู้พูดให้ฟังสะดวกทั้งสองฝว่าเวลานี่ก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะส่วนตัวเมื่อส่วนตัวไม่สะดวกก็เป็นผลกระทบต่อส่วนอื่น ควรที่จะช่วยในส่งที่ในสิ่งในโอกาสที่ช่วยก็ช่วยไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักการเวลาไม่เหมาะสมพลาดไปบางทีต้องใช้เวลาต้องเป็นคนที่หนึ่งที่สองเรื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์มาบางทีเราพูดเราฟังไม่ค่อยรู้ถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ให้เขาฟังให้ไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์หลายครั้งที่ผู้ถามผู้บอกไม่ค่อยสำเร็จ ต้องไปเรียกคนอื่นมาพูดต่อมาฟังต่อเช่นสมัยหนึ่งจะมีผู้หญิงมาบวชเขาก็<ม>าก็ถามเราเราก็ไม่ค่อยได้ยินเขาพูดจีข้าเหยขนยังพูดไม่แหลงบอกเขาแลงๆเขาก็พูดไม่แหลง ผู้หญิงเขาก็เป็นใครหวานาก็เป็นสุภาพสตรีก็ต้องไปเรียกคนอื่นมาพูดให้ฟังยังรู้เรื่องโอ้เขามาขอปวดหน้าอะไรมากอายใจ ที่ทำไรไม่ค่อยะสะดวกแต่นี่ก็เป็นส่วนไม่จําเป็นสําหรับผู้ศึกษาว่าจําเป็นอยู่ที่ตัวเราเองเรื่อลู่ก็มีอยู่ที่ตัวเราเองผิดถูกอาจจะไม่ต้องถามในสัจธรรมผิ ด, ผดมันบอกถูกมันบอก ในสัจธรรมถ้าเกิดความคิดมันก็มีคำถามเกิดจากความคิดมีมากมายมานี่จำเป็นต้องพูดต้องถามเวลาเราปฏิบัติคำถามมันจะไม่มีสำหรับผู้ปฏิบัติได้หลักแล้วมีสติกาหนดรูที่กายเคลื่อนไหวมีสติปาในกายอยู่เป็นประจำ สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกาายก็เห็นไม่ใช่จตุคุลตนตนเราข็จิ่ลาีไม่มีคำถามคำว่านั่นไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครบอกเมธนา เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเวทนาก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนตัวเองเป็นคนตอบถ้าถามไม่ใช่ไม่ใช่เห็นจิตที่มันคิดผู้ปฏิบัติก็ตอบเองไม่ต้องถามมันเป็นคำตอบส่วนตัวในขณะปฏิบัติ มันจึงเป็นการศึกษาของกิ่งเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมทั้งหลายนี่ก็คือผู้ปฏิบัติเห็นธรรมคืออะไรกมหลงก็เป็นธรรมก็มไม่หลงก็เป็นธรรมมาพ้อมกันกมผิด ก็เป็นธรรมกลัวไม่ผิดก็เป็นธรรมมาพร้อมกันเห็นพ้อมกันจึงเลิกว่าเห็นธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําเห็นแตนี้เรียกว่าไม่ถามเห็นทุกข์ก็ไม่มีคําถามเห็นเหตุที่เกิดทุกข์ก็ไม่มีคําถามผู้ปฏิบัติทําหน้าที่เอง มันก็อันเดียวไม่ใช่คนละอานเป็นสา곤เป้นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เหมือนกันหมดเรียกว่าสามัรลักษณะ <c oughs> สามัรลักษณะเสมอกัน ถ้าหากว่าเราหลงคนอื่นก็หลงเช่นเดียวกับเราหลงตรงที่เราหลงคนอื่นจะไม่หลงตรงที่เราหลงมีมีมากมีมีอยู่เช่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดรูปเองโดยชอบเราจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าคือรูปอะไรรูปธรรมผู้ปฏิบัติ ตามคำสอนที่พระเจ้าสอนได้เห็นธรรมที่พระเจ้าได้เป็นผู้เป็นพระเจ้าจะเรียกว่าพระเจ้ามาได้เพราะลู่ตามเรียกว่าพระสงฆ์ทำอันเดียวกันจะเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาได้มีผู้สอนเราจึงรู้ไม่ต้องไปสุ่มหาเรียกว่าพระสงฆ์ ดูนเดียวกันแต่เรียกว่าพระสงฆ์คือผู้ลู้ตามที่พระเจ้าทรงสแสดงอยากเรา ม, ามีสติสัมมาสติมีสติเป็นในกายยเป็นประจำนี่ผู้เจ้าสแสดงเรามาทำดูเราลู้ตามเราเห็นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม เหมือนพรเจ้าสอนที่เรียกว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันไม่ผิดหลงที่ใดไม่ผิดเรียกว่าสถาบันทุกที่ใดไม่ทุกเรียกว่าสถาบันโกรธที่ใดไม่โกรธเรียกว่าสถาบันปฏิบัติเป็นสถาบัน นี่คือชีวิตศึกษาชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ศึกษาอาชีพศึกษาอาชีพมันต้องนอกจากชีวิตนี้ไปอาจจะมีความทุกข์ความสุขแต่มีความรู้แต่ชีวิตจริงๆมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้น มันหลงไม่หลงเนี่ยคือศึกษาชีวิตมันทุกไม่ทุกมันโกรธไม่โกรธมันวิถกกรรมเศรามองมันอะไรต่างๆเปลี่ยนได้เรียกว่าชีวิตได้ชีวิตบรรลุธรรมคือเวลามันบรรลุธรรมคือมีการกระทำมีสติสติจะทำให้เกิดบรรลุธรรม แลวลาอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นสุมีสติไม่เป็นสุนี่เรียกว่าบรรลุธรรมน้อยไ ป, ปอะไรที่ไม่ใช่สติที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่เอาตรงที่ไม่ใช่สติให้เป็นสตินั่นแหละก้าว ที่จะไปสู่การบรรลุธรรมเช่นหลงเป็นที่รู้มันทุกเป็นรู้วันอะไรต่างๆเป็นรู้การบรรลุธรรมไปแบบนี้ไม่ใช่บรรลุธรรมแบบอะไรที่มัน ไม่ใช่การกระทาของตอนเองเป็นเองไม่ใช่แบบนั้นมีสิ่งอื่นมาช่วยมาทำให้เป็น น, นั่นม่ใช่มันเกิดจากการกระทาของเราแท้ๆการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมถ้าหลงก็เปลี่ยนหลงไป็ไม่หลงแล้วก็มันก็เปลี่ยนได้ถ้าทุกก็เปลี่ยนทุกเปไม่ทุกถ้าผิดก็เปลี่ยนผิดเป็นไม่ผิดเนี่ย ไห้มีการกระทำแบบนี้เรียกว่ากรรมกรรมนี่ศักดิ์สิทธิ์กรรมมฐานมันเป็นอย่างนี้เป็นที่ตั้งของการทำเหมือนตั้งทัพเหมือนสมองและภูมิ์สยภูมิที่ดีมีหลักมีฐานเหมนชีวิตสมาชีพมีหลักมีฐานมี อาชีพฮาปัจจัยเรื่องชีวิตตายมีความรู้ดูแลสุขภาพตายมีความรู้จักระเบียบวินัยด้วยมีความรู้เรื่องกิจวิญญาณด้วย ที่จะเป็นอาชีพที่หาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิต น, นั้นสำหรับกัลวาบาทผู้หองเรือสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเช่นนักปวดพระสงฆ์ไปทำไร่ทำนาหาลงทุนซื้อหุ้นเหมือนกับกัลวาบเจ้าโจมไปตไา้ ไม่มีอาชีพแบบ น, นอาชีพของเราคือศิษยาลัยธรรเพื่อได้ชีวิตอันนี้เป็นพิเศษส่วนชีวิตนั่นเลี้ยงด้วยคนอื่นการเลี้ยงชีวิตด้วยคนอื่นเพื่อให้เราไม่ได้ประมาทถ้ามาตัวตาคนอื่นเขาช่วยเราระหว่างเขาช่วยเราเราต้องช่วยคนอื่น มุง่งสู้การช่วยตัวนีอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดลงเขาช่วยเราเมื่อเราช่วยคนอื่นเชิงอื่นสิ่งที่เราช่วยคนอื่นเชิงอื่นนั้นต้องศึกษาต้องเลี่ยงสิกขคดและทำเป็นการชีวิตขึ้นมาจากวัตถุสิ่งของที่เขาให้เราเข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าที่หัวใส พยายามจะพักนาเรื่องนี้ให้เป็นบุญในเขาจะชื่นใจใได้ช่วยคนที่มีประโยชน์เป็นบุญขึ้นมาเป็นมากเป็นผลขึ้นมาจากชีวิตของเราเอาไปส่วนประกอบห ล, หลายๆอย่างในพระกรรมาฐานนี่แน่นอนที่สุด ไม่มีความหน่มความแจ่ความรู้สึกตัวเนี่ยสบายสบายเลยเหมือนกับเรานั่งเหลือเล่มใหญ่ขาขึ้นได้มีสติเป็นอากาศเหมือนกันั่งเรือขับน้ำหลายหมื่นตันเป็นใหญ่ขนาดเท่าสนามพุทธบนเนี่ยนจะเท่าไหร่ สติปัฏฐานนี่มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ได้มีสติไปในกายเห็นกายอยู่มันก็มีเท่านี้นี่อะไรเกิดขึ้นมาก็เหมือนเกิดขึ้นกระทบกขังเป็นรูทั้งหมดสุขรูทุกรูอะไรต่งางๆรูขึ้นมามีอยู่ใครได้เลยอย่าไปทิ้ง ทิ้งฐานปฏิบัติธรรมกลับมาเช่ก่อนถ้ามันเข้มแข็งนะอาจจะมีอริบทช่วยเคลื่อนหวอาจมีอริบุอื่นๆเนืนแต่เราจะหามาเป็นชินละปะการตอบโต้เหมือนนกลูก รู้จากหลกรู้จักหลี ก, ล ก, ล ก, ลกสู้ซึ่งด้าไม่ได้บางอย่างเช่นควงง่วงงงหอนอนจะไปสร้างสังเวชสู้กับความง่วงไม่ค่อยได้บางทือออกฉากสักน่อยแม้กําลังน้อยแต่ว่ามีปัญญาก็สามารถชนะได้มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา จึงจะจึงจะชนะได้มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศีลคือความข่มเหมือนมีดสมาธิคือหนักแน่นปัญญาคือรู้จักเวียงรู้จักใช้ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญามับรรลุใช้มีดใช้จอบใช้เสียมสมาธิคือหนักแน่นมั่น ยืนได้ที่ฝันแรงถ้ามีคมของไม่คมถ้าไม่ได้ที่ยืนที่กำลังปอกมันก็ทำารประการทั้งคมทั้งเมงน้ำหนักทั้งเบี่ยงท่าทางมันจึงสำเร็จประโยชน์มันไม่ใช่ศีล ส, สมาธิปัญญาอันเดียวมันมาพร้อมกันเพื่อทำได้สำเร็จประโยชน์ ขณะที่มันง่วงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนสินใสสีหูสังทองตามเอาส่ง ม, มณฑาสุมนทาคือมณทินคิดที่มีมณทินโคง้งง่ำสินใจคือศิลสมาธิคือสมาสินใสสีหหูคือสมาธิสังทองคือปัญญาตรงไหนที่มัน ยุ่งเรียกหาสมาธิต้องไหนที่มันมีศัตรูเยอะเรียกหาสังทองรว่าสินไสออกหน้าไปเจอน้าปัดเล็กกัดทองไปเจอช่างซ่อนหาปาช่อเงียบไปเจอจินนลีจินห ล, นหลอน ไปเจอเด่นงูส้วงเด่นงูส้วงเห็นเด่นงูส้วงไหมเจออไหมเจ <laughs> อเด่นงูส้วงไหมพูนพิษเจอเด่นงูส้วงสินใ่นะชู้ไม้ได้นะมันพ่นเส่ตาลืนตาไม่ขึ้น มันพ้นจจเลี้ยวเลยหมดเลี้ยวหมดเลยคอตกประจุพิษงูส้วงไล่เหมือกันเคยขวางนิ่นวหัวน้าเท่าผู้เมาห้อนนอนต้องมีสมาธิพิษขึ้นมายืดเอยยืดหัวกำลังขึ้นมาฮขึ้นมาอย่างนี้นะปัญจารอบโลกไมถูกต้องอันนี้เป็นขวา ง, ง่วงขวางงวงไม่ใช่ไม่ใช่มิด เป็นศัตรูเป็นขวงก็้ปันลงไปว่ากันลงไปมันไม่มืดมันไม่อ่อนเลยเชนนั้นจะไปเข้มแข็งได้ตรงนั้นก็ได้เออดีดีนะปฏิบัติธรรมมันตรงที่มันผิดทำให้มันถูกขึ้นมามันมีผลตรงนี้นะมั่นใจตรงนี้มั่นใจที่ไรที่นั้น มั่นใจมากๆการปฏิบัติธรรมไม่มีวิธีใดที่จะสับส์สมเร็ดเท่ากับกรรมฐ า, านโดยเพราะรูปแบบของการสร้างจังหวันมีพลังเพียงพออึบขึ้นมาลูกขึ้นมาทั้งกายทั้งใจทั้งสติปัญญาเช่นแผงขึ้นมาเอาเขาจะมีอะไรก็มีไปโขามีสติไปในการนี่แตั้งลับตรงนี้ละ อีกสนะิบวั น, เ, นเราให้เต็มที่พิธีล่ไปเสร็จก็ไม่ใช่เวลานี่ให้เป็นงานการปฏิบัติมีสติแต่งานกันกันกบกายกับจางสมรรถกันเป็นอันเดียวกันจะเกิดมากเกิดผลขึ้นมา จะผู้ปฏิบัติเองนะสมควรใจเวลาคาภาพของกัน